สวัสดีค่ะ656 9036นาขณะนี้ไม่มีใครอยู่บ้านกรุณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาณนะคะ ถามจริงๆเธากรู้ว่าเธอคอะไรถางจริงๆเธออยากรู้ว่าเธอมีใครถางจริงๆเธออยากรู้ความในใจถางจริงๆเธออยากไปจากฉันมากใช่ไหมบอกกันในรู้ซะบอกกันในรู้ซะ ถามจริิงอย่าปิดบังให้ฉันไม่แน่ใจถามจริงๆรอย่าหวั่นไหวบอกมาซอว่าใครทางจริงๆอย่ากดดันใหฉันยิ่สนใจถามจริงๆเธอหนอกใจเพราะคนนั้นใช่ไหมบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้ชัดให้มันเคลืยร์ให้มันสิ้นเรื่องไปบอกกันใหรู้ รู้ว่าเธอคิดอะไรทางจริงจริงอยากรู้ว่าเธอมีใครทางจริงจริงอยากรู้ความในใจทางจริงจริงออยากไปจากฉันมากใช่ไหมบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้ชติให้มันเคลียร์ให้มันสิ้นเรื่องไปบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้รู้ซะบอกกันให้รู้